บอกให้สรุปก็ไม่ค่อยได้ยินอยากให้เราลำพงมาไว้ที่สักตัวหนึ่งนี่งูบรรไก่แต่ยินพี่สรุปได้บ่ามีสติดูกายมีสติดูกิดกายเป็นจะบอกคิดมันจะบอกนะเป็นตำลาเล่มใหญ่แม่นยำจริงๆ คิดจริงอยู่ที่นี่นะมีสติดูกายมีสติดูกิจเนี่ยสำคัญที่สุดนะท่านทั้งหลายเดียนมามากแล้วแต่ลูกไปข้างนอกพระพุทธเจ้าพระสีตธาปิบเกิตศาสตร์นะรู้เลยมารวมลองอยู่ที่กายที่กิจเนี่ยเอาตรงนี้ยงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรม ได้คำตอบจากกายจากจิตตอบให้มันได้มันจะมีหลายอยา่างกิเลสพันห้าตันหายร้อยแปดอยู่ที่กายที่จิตนั้นมีกายจิตนี่เป็นรูปเป็นนามเป็นรูปนามรูปก็เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรม <c oughs> รูปนามก็เป็นรูปโลกนามโลกกว้างใหญ่ไปสั่งรูปทุกนามทุก รูปสมมุตินามสมมุติรูปบัญญัติทิฏจิงอย่างไรรูปบัญญัตินามบัญญัติมันมันจะยิ่งใหญ่กว่าศาสตร์ทั้งหลายนะศาสตร์ทั้งหลายทั้งหลายนะ่ะมันไม่กระทบอะไรเลยนะเราเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจเห็นความคิดเห็นจิตใจที่มัน เป็นเท็จเป็นจริงยังไงเนี่ยพ่นก็พ่นตรงนี้นะมันลุก็มันลุตรงนี้แล้วก็แล้วตรงนี้เร็จก็เส็จตรงนี้นะมันบอกจนปดเกลี้ยงลูกมันบอกนามมันบอกในอาจารย์ตุ้มก็แม่นยอมนะหล า, ายลูกที่ ศึกษาเรื่องนี้อาจารย์ต้องก็จบสถาปัาปตย์ไม่จบอะไรก็ยังรู้ได้นะรูปนามเนี่ยไม่ต้องรู้หนังสือก็รู้ได้ทุกชีวิตสากลที่สุดนะส่งสรุปตัวนี้นะยันซินลาสประ